ที่จะปวดน้ำและให้พรก็กลายเป็นสมมติฐาสักหน่อ ย, ยเเช้าวันนี้เป็นมงคล น, นะที่ว่าเป็นมงคลที่ว่าเป็นเรื่องดีอย่างดีกนะ็ได้เพราะว่าพวกเรามาร่วมกันทำบุญด้วยการรับศีลแล้วก็ไายศสักธา ในทางพุทศาสนาเนี่ยเรื่องดียามดีหรือเวลาที่เป็นมงคลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ท้องค้าไ ม, ไม่ได้ที่ดวงตาแต่มันอยู่ที่การทําความดีเมื่อเราทําความดีเวลาไหนเวลานั้นก็เป็นมงคลเป็นเรื่องตียามดี นี่วันนี้เรามาถวายสังฆทานทานเนี่ยเป็นการทำบุญที่ชาวพุทธเราคุ้นเคยปกติเวลาพูดถึงการทำบุญเนี่ยโดยเพราะการให้ทานเนี่ยเราก็ต้ถึงอานิสงส์ อันที่สูที่คนส่วนใหญ่นึกถึงเนี่ยก็ได้แก่ความอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขเพรา ะ, ะมีรากนะมีเกียรติยมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จหลายคนมาทำบุญก็เพราะหวังอันที่สองส่วนนี้โดยเพราะ เวลาประสบความทุกข์เช็นเจ็บป่วยก็มาทำบุญเพื่อได้หายไข้หา ย, หา ย, หายเจ็บหายป่วยอันนี้เป็นอา น, นิสงส์หลักๆที่หลายคนนึกถึ ง, ถงแต่ที่จริงแล้วเนี่ยอา น, นิสงส์จากทานเนี่ยมีมากกว่านั้น อันที่สงที่เพิ่งพูดถึงเนี่ยมันเป็นประโยชน์ในทางโลกภาษาพาัดเรียกว่าทิฏฐาธรรมิตาประโยชน์ปนัจจุบันเช่นมีเงินดีมีสุขภาพดีงานดีครอบครัวดีอันนี้ก็เป็นประโยชน์ทางโลกซึ่งเป็นพื้นฐานของ การจะมีชีวิตให้มีความสุขแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีอนิสโอที่สูงไปกว่า น, นั้นหรือว่าลึกซึ้งไปกว่า น, นั้นเปับไปอนิสโงที่เกิดปรโในทางจิตใจที่ช่วยทำให้จิตใจสงบเย็นเป็นสุข ความร่ำรวยความสำเร็จในการงานการมีสุขภาพดีมันก็ไม่แปลว่าจะทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงเสมอไปคนที่มีการงานที่มั่นคงร่ำรวยแต่นอนไม่หลับ กลางคืนก็าอาจมูไกไายหน้าผาก็มีเคยมีคนมาเล่าให้ฟังว่ า, าเธอเป็นราชาสมัครให้กับองค์กรหนึ่งที่นัดหน้าที่รับโทรศัพท์เวลาคนเนี่ยเครียดแต่จะฆ่าตัวตายการรับฟัง คนที่มีความทุกข์อย่างนั้นทางโทรศัพท์โดยไม่เปิดเผยชื่อแล้วก็เป็นการของอาสาสมัครคนนี้แล้ววันหนึ่งก็มีคนโทรมาหาทาทางก็มีทุ่มเสียงก็มีความทุกข์มากฟังดูก็รู้ว่าเป็นนักธุรกิจใหญ่เครียดพอไม่หลับตัวระทั่งมันมีแว๊ของการคิดฆ่าตัวตายเรอก็ถามว่า เรื่องมันเป็นยังไงแกก็ตอบว่าธุรกิจเนี่ยนะปีนี้มันไม่ดีเลยได้กําไรแค่ห้าพันล้านก่อนหน้านัา้นเนี่ยกำไรหมื่นล้านนะปีนี้ได้กําไรห้าพันล้านเครียดนะอยากจะฆ่าตัวตายห้าพันล้านก็ไม่ใช่น้อยนะแต่มันก็ชี้นนะ้ำมัคนเรานี่ยจะ ร่ำรวยนะแต่มันไม่แปลว่าจะมีความสุขอาจจะทุกข์เพราะว่ารูึว่ายังรวยน้อยไปหรือว่าได้ไม่เหมือนกับที่เคยได้แค่นี้ก็ทุกข์ละบางรายอาจจะร่ำรวยแต่ว่าเจ็ป่วยหรือบางรายอาจจะไม่จะไม่ป่วยร่ำรวย แต่ว่าทุกพ่าปัญหาครอบครัวหมอคนหนึ่งหันมาทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จอายุเธอะยังไม่มากนะสามสิบกว่าหลังก็ได้แต่งงานกับนักธุรกิจใหญ่รวยกับรวยมาเจอกันก็ตับดรวยนะแต่ว่าอยู่ไปอยู่ไปก็เพราะว่าสามีเนี่ย นอกใจความรู้สุดตอนนั้นเนี่ยมันก็ว่าไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยนะที่จริงยังมีไม่ต้องเยอะพ่อแม่ก็ยังมีลูกก็ยังมนะีเงินทองรถยนต์ทรัพย์สมบัติก็ยังมีเท่าเดิมขาดแค่คนขาดแค่อย่างเดียวคือสามีเรนะก็หลุดลอยไปหาคนอื่นเครียดมาก ถ้าพอเครแล้วนี่ไอ้เงินทองที่มีมันช่วยอะไรไม่ได้เลยเธอเล่าว่าเคยเวลารงว่างก็เอาเพชรเนี่ยเอาเพชรเนี่ยที่เธอซื้อมาเนี่ยเอามาเอามาวางอยู่ข้างหน้าแล้วก็มาดูชื่นชมเพชร น, นั้นมีความสุขแต่ตอนนี้เนี่ยเอาเพชรมาวางไว้เ็นโต๊ะนี่ยเป็นสิเม็ดเลย ไม่รู้สึกอะไรเลยมันไม่ช่วยคลายความเศร้าโศกได้เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเงเินเพชรนั้นเนี่ยมันเป็นแค่หินแค่กลัวนี้มันสะท้อนว่าแม้ว่าจะร่ำรวยแม้ว่าจะมีางานดีเงินดีหรือแม้แต่สุขภาพดีก็ไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขเสมอไปคนที่ค่าตัวตายหลายคนก็ไม่ได้จะป่วยอะไร งานกายก็มีรถบ้านก็มีแต่ก็ยังโดดตึกลงมาตายเพราะอะไรเพราะว่าขาดความสงบในจิตใจทานเนี่ยนะอันที่สงอย่างนี้คือมันทำให้เกิดความสงบในจิตใจเป็นความสุขทางใจเรียกว่าความสุขภายใ น, ในตรงนี้เนี่ย พุทธศาสนาเรียกว่าสัมปรยายกัตถะสัมปรยายกัตถะนี่แปลว่าประโยชน์ที่มันอยู่สูงขึ้นไปหรือว่าอยู่ลึกที่มองเห็นไม่ได้ด้วยตาหรืว่าเป็นประโยชน์ที่เลยจากปัจจุบันออกไปาการทําบุญเนี่ยรวมทังการให้ทานเนี่ยมันให้อันที่สองส่วนนี้ด้วยคือเราทําแล้วเนี่ยถ้าระวางใจถูกใจก็สงบใจก็ เย็นหรือว่าเกิดความอย่างน้อยๆก็ความเบิกบานแจ่มใสยิ่งถ้าเราวางจิตวางใจว่าเป็นการให้เพื่อลดความยึดมั่นถือมั่นทานอย่างนี้แหละการวางใจอย่างนี้แหละนั่นที่ทำให้จิตใจมีความสุขมากขึ้น เพราะว่าอย่างที่เราได้กยุ่มเมื่อวานความทุกข์ความตัวตายเนี่ยที่จริงรวมถึงความทุกข์ใจอื่นๆด้วยเมันเกิดจากความยึดติดถือมัน่นยึดติดในสิ่งที่เราสำคัญมั่นหมายว่าเป็นของกูเป็นตัวกูตรงนี้แหละเป็นรากเหงาของความทุกข์ใจทั้งหลาย ความทุกข์ใจมีสาเหตุมากมายอาจจะเกิดจากเชื่อโรคอาจจะเกิดเป็นฟ้า อ, อากาศอาจจะเกิดจากมีคนมาทําร้ายจากความทุกข์ใจเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทุกข์ใจเรื่องอะไรไม่ว่าจะทุกข์ใจเพราะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองเกี่ยวกับงานการหรือการเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ รวมทั้งหน้าตาศักดิ์สิททั้งหมดนี้เนี่ย้แล้วแต่มีรากง่ามาจากความยึดติดถือมัน่นในตัวภูของกูอันนี้เนี่ยอันนี้คือโรคนะซึ่งเราสามารถจะบรรเทาได้ด้วยการฝึกใจให้ปล่อยให้วางให้สลับและทานเนี่ยคือบรรไดยขั้นต้นหรือวิธีแรก เบื้องต้นเลยในการฝึกให้เราวางให้เราคลายความยึดตินถือมัน่นและนี่แหละคือวัตถุประสงค์สาคัญของการให้ทานพุทนธะเจ้าตรัสว่าทานเนี่ยนะเป็นไปเพื่อการลดความตนันหนีความตันหนีก็คือความหวงแหงสาวลงไปก็คือความยึดติดถือมัน่นในสิ่งของนี่ถ้าเรา ถ้าเราให้ทานเราก็ให้ทานเพื่อลดนะหวังว่าจะลดความยึดมัน่นมันจะช่วยทําให้ความตนหนีในใจน้อยลงเวลาเราให้ทานเราก็ไม่ได้หวังอะไรเลยไม่ได้หวังว่าจะได้นอนได้นี่เลยเพาะโชคลาภอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์เ ข, ข้าตัวเราลองทําใจแนละ้วว่าเราไม่ได้ปรารถนาสิ่งเหล่านี้เลย พราะทนทีที่เราปราถนาเนี่ยความโลภมันก็เกิดขึ้นหรือวความโลภ ก, ก็มีกําลังมากขึ้นไอ้ที่จะคลายความยึดติดถึงมันมันก็เคยกลายเป็นความยึดมั่นมากขึ้นํามุญแล้วก็หวังว่ารอคอยว่าเมื่อไหร่จะได้โชงได้ลาภเดือเพราะวันที่16หนะหรือว่าต้นเดือนรอคอยว่าเมื่อไหร่จะถูกหวยโดยเบอร์ คนที่รอคอยเนี่ยในแง่นึ่งก็มีความหวังแต่ด้าน่ก็มีความทุกข์นะยิ่งไม่ได้ก็ยิ่งทุกข์ใหญ่แล้วพอไม่ได้มากๆเนี่ยก็จะเกิดความคลางแคลงสงสัยในบุญในความดีว่าทำไมฉันทำดีแล้วไม่ได้ดีนะทําบุญเก้าวัดเจ็ดวันนี่ไม่เคยถูกหวยสักทีทาบุญเก้าวัดหรือว่าเกสิบเก้าวัดทำไมยังไม่ได้โชคไม่ได้ลา ก็เกิดความคลางแคลงสงสัยหรือว่าเสือส่อมศรัทธาในบุญในกุศลเกิดปัญหาแบบนี้ก็มีนะอันนี่เพราะวางใจผิดเพราหารู้ไหมว่าทาันทีที่ทําบุญทันทีที่ให้ทานเนี่ยอันนี้สงสก็เกิดขึ้นแล้วถ้าวางใจถูกเช่นจิตหมองายใจเบิก บ, บานที่จริงแล้วเนี่ยนะในทางศาสนาเนี่ย การให้ทานที่ถูกต้องเนี่ยก็คือว่ารู้จักวางใจให้เป็นทานที่เรียกว่าศัพทิสตทานหรือว่าทานสําหรับสับตบุญุษเนี่ยท่านจะไม่พยายามเน้นเรื่องของสิ่งของยิ่งเรื่องราคาไม่เน้นเลยไม่ไม่กล่าวถึงเลยเพียงแต่จะพูดว่าเพียงแต่จะกล่าวว่าทานนั้นนี่ยที่ถวายเป็นทานที่ประ น, นี เรื่อนี้ก็ไม่แปลว่าเป็นของราคาแพงแต่หมายถึงว่าตั้งใจทำนะเป็นทานที่เหมาะสมกับผู้รักแล้วก็เป็นทานที่นะมันเป็นประโยชน์แต่สิ่งสาคัญก็คือการวางใจเช่นก่อนให้เนี่ยนะจิตแสม่มใสให้เสด็จใจเบิกบาทนที่เป็นเครื่องวัดก่อนให้จิตใจแจ่มใส จะจำใส่เพราะว่ามีความดีใจที่จะมาได้ทําความดีให้ใจิตใจก็ผ่องใสเพราะว่าเราได้มอบได้ได้ทําความดีแล้วเมื่อไหร่ก็ตามถ้าหากว่าเราใจิตใจหมนหมองก่อนให้เนยะจิตใจเราหมนหมองหมนหมองเพราะว่า อาจจะกำลังคิดถึงงานการที่ยังคาอยู่หรือว่าอาจจะวุ่นวายเพราะว่าเป็นเจ้าภาพนะทานูน่นทํานี่ติดใจไม่สงบบางทีก็โมโหลูกน้องนะที่เอาของมาถวายนะขาดไปบางอย่างติดใจไม่สงบติดใจขุ่นมัวอย่างนี้ก็ได้บุญ น, น้อยนะ หรือว่าถวายเสร็จก็จิตใจก็ไม่สบายไม่สบายใจเพราะว่าเองคนอื่นเขาถวายมากกว่าเกิดการแข่งขันกันขึ้นมาในใจรู้สึกน้อยมากว่าเราถวายได้น้อยกว่าอย่างนี้ก็ไม่ได้บุญ น, นะหรือได้น้อยหรือว่ากังวลว่าเออ คนเขาจะรู้ไม่ว่าเรามาทำบุญถวายแล้วไม่มีคนถ่ายรูปเลยลจะเอาไปโพสขึ้น Facebook ได้ยังไงอ่ า, าอย่างนี้จิตใจหม่นหมองนะนะได้บุญน้อยใครก็จะถ่ายรูปไม่ถ่ายรูปเราไม่สนใจนั่เราทำความดีแล้วเราชื่นบานรวมทั้งลดความยึดมั่นในตัวกูด้วยบางคนเราทำความดี ถวายทานก็จะให้คนรู้คนเห็นว่าเราทำดูอันนี้เนี่ยแสดงว่าตัวปูเป็นกำเริบตัวปูเป็นกำเริบอยากจะให้คนรู้พอเรารู้ตรงนี้เนี่ยเราเราจะไปสนใจนะไม่ได้ยินอะ ได้ยินไหมได้ยินใช่ไหมคือนอกจากการลดละของกูแล้วเนี่ยลดละตักว ก, กสศลผัญแต่บางทีเนี่ยเราแม้แต่าาของกูเราก็ยังไม่ได้ลดจ้าเท่าไหร่บุญมันก็เลยน้อยผู้เจ้าตรัสว่าทานที่มีอนิสงส์น้อยคือทานที่ ทำด้วยใจคือทำด้วยใจที่มีเยื่อใยทำด้วยจิตที่ผูกพันเยื่อใยอย่างไรก็คือว่าเวลาเราถวายเนี่ยเมื่อเราถวาย ใ, ใครเนี่ยก็ควรจะสละความเป็นของกูของชั้นออกไป แต่เราอาจจะสังเกตเวลาถวายบางทีเช่นถวายอาหารให้หลวงพ่อถวายตีวรให้หลวงตาเนี่ยเราก็คอยดูว่าหลวงพ่อจะฉันาหายของเราไหมหลวงตาจะผมจีวรของเราไห ม, ม, ม, ไ, หมไม่ยินมีของเราอยู่ถวายท่านไปแล้วก็เป็นของท่านไม่ใช่ของเราใช่ไหม อันทีท่เราคิว่าท่านยังไม่ได้ถวายยังไม่ได้ฉันอาหารของเราเลยยังไม่ได้ผมจีวจรของเราเลยจิตใจเราก็หมุนมองนะและความหมุนมองนั้นเกิดจากการที่เราเยังเป็นยึดยังมีเย่อยใยในของนะว่าเป็นของของเราเป็นอาหารของเราเป็นจีวรของเราอันนี้เรียกว่าเป็นการถวรายที่ยังไม่สะเด็ดน้ำนะยังมีเยื่อยใยอยู่ไ่ได้บุญน้อยนะ แล้วมันเกิดทำให้เกิดความหมุนหมองด้วยหลายคนทาบุญถวายทานไปแล้วก็จิตใจก็ไม่ค่อยสบายไม่มีความสุขไม่มีความปองใสเพราะว่าหลวงพ่อไม่ได้ฉันอาหารของเราหลวงตาไม่ได้พองจีวนของเราอันนี้เรียกว่าจะมีเยื่อยใยญ่ทานที่ถวายไม้จะเป็นของราคาแพงมันก็เกิดอันที่สงน้อย ให้เราวังใจให้ถูกนะถ้าระาวาังใจเป็นเนี่ยเราถวายเราไม่ได้นึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับเราในทางวัตถุเลยไม่ได้อยากจะรวยไม่ได้อยากจะประสบความสาเร็จไม่ได้อยากจะให้คนชื่นชมสรรเสริญณขณะเดียวกันเราก็มุ่งแต่ประโยชน์ของผู้รับนะพอเราถวายเสร็จเราก็จะมีความสุขสงการที่พระเจ้าจัดว่าผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุข ให้ความสุขเนี่ยเชนให้ของนะแล้วเงินในกระเป๋าเราจะน้อยลงแต่ว่าความสุขใจมีเพิ่มมากขึก้นเราลองให้ทานเนี่ยลักษณะนี้ดูนะรือว่าไม่ได้หวังอะไรที่จะเป็นการเพิ่มปูนกิเลสหรือว่าพนนออตตาแต่ว่าเป็นการให้เพื่อที่จะลดละกิเลสลดละอัตตา ถ้าจำพุทธะกล่าวว่าการให้ทานมสองแบบการให้ทานหนึ่งประเภทที ja mind mind ่หนึ่งการให้ทานที่กิเลสชอบกับการให้ทานที่กิเลสไม่ชอบเวลาเราจะให้ทานเนี่ยลองจะพยายามให้ทานประเภทที่สองให้ทานที่กิเลสไม่ชอบก็คือว่าให้ทานเพื่อลดกิเลสลดหักตาและนี้แหละเป็นทานที่ ถือว่าเป็นการให้ทานแบบบัณฑิตนะภาษาริบุตนะกล่าวว่าบัณฑิตเมื่อให้ทานย่อมไม่ให้ทานเพื่ออุปติสุอุปัติสุขก็คือโล ก, กียสุขหรือความสุขแบบโลภนะเ่นขอให้รวยขอให้มีชื่อเสียงขอให้คนยกย่องสรรเสริญอันนั้นไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตบัณฑิตเมื่อให้ทานย่อมไม่ให้ทานื อ, ออุปติสุ หรือเพื่อพบใหม่พบใหม่คือ่เพื่อจะได้เป็นเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นปเศรษฐีในภาคหน้าเปเกิดเป็นคนสวยคนงามในภาคในในพบหน้าอันนั้นก็ไม่ใช่วิสัยของบัณิตบัณิตไม่ให้ทานเพื่ออุปทิขหรือเพื่อพบใหม่แต่ให้ทานเพื่อกําจัด ก, กิเลสและเพื่อการไม่เกิด การไม่เกิดคือเพณิพันธิตพานธ์ น, นี่ไม่ได้หวังว่าจะไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้เลยเนี่ยเราลองให้ทานแบบบัณฑิตดูน้องก็ทําให้เกิดอันทสงที่เป็นความสุขใจและทําให้เราได้เข้าใกล้นิพพานเพราะว่านิพพานเป็นปัจจัยาการที่เราละวางความที่ติดถือมันละวาง ตัวกูของกูนะจนไม่เหลือหลองนะอันนี้เนี่ยอาจารย์พธธุทธท่านก็ใช้คาว่าตายก่อนตายท่านก็สอนนะให้เราเนี่ยฝึกตายก่อนตายเช่แต่วันนี้ตายตัวแรกนี่หมายถึงว่าตัวกูมันตายทีนะ่จริงตัวกูมันไม่มีตั้งแต่แรก ถ้านอธิบายหมายความว่าความยึดความหลงว่ามีตัวกูแล้วถ้าเราไปยึดในความหลงว่ามีตัวกูของกูเนี่ยตัดอะไรที่ยมีตัวนี้อยู่เนี่ยมันก็จะกลัวตายเสมอไปแล้วก็จะมีความทุกข์มีความเครียดมีความว่ตกกังวลแม้แต่เรื่องเล็กน้อยเนะี่ยเช่นเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าหน้าผมก็ทุกข์ ไม่มีคนชมก็ทุกไม่มีคนกดไลค์ก็ทุกอันนี้เพราะว่ามันมีความยึดในตัวกูท่านสอนว่าเนี่ยถ้ า, าว่าอยากตายสมบเนี่ยก็ให้ฝึกตายผ่อนตานฝึกละความยึดในตัวกูแล้วอันที่สองเนี่ยมันไม่ช่วยมันไม่ได้แค่ช่วยทำให้ตายสมบหรือว่าตายดีแต่มันช่วยทำให้อยู่ดีด้วยอยู่ดีไม่ได้แปลว่าต้องกินดี อยู่ดีหมายถึงว่าทำความดีแล้วก็วางใจถูกถเมื่อเราทําความดีเราวางใจถูกเลยเพราะเรารู้จักวางให้ตัวกรูของกูหรือทำให้ตัวกูมันตายทำให้ความยึดมั่นถือมั่นมั น, ม, นมันหมดสิ้นมันดับไปจากจิตใจอันนี้แหละเรียกว่าตายก่อนตาย ซึ่งมันเป็นวิธิทางในการทําให้เรานะไม่กลัวความตายแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขไม่กลัวความสูญเสียไม่กลัวความพังพรายเมื่อเราไม่กลัวความสูญเสียไม่กลัวความพังพ่ายความวิตกกังวลมันไม่มนะีเมื่อเราไม่กลัวว่าใครเขาจะว่าเราแล้วเราก็ไม่ได้ปรารถนาความที่ชัสารเสริอมให้ความวิตกกังวลนะ ว่าเขาว่างานจะไม่สำเร็จมันก็ไม่มีงานล้มเหลวนะแต่ว่าจิตใจก็ยังมีความสุขได้อันนี้เป็นประโยชน์ที่มันช่วยทำให้การดำเนินชีวิตของเรามีความสุขมีความสงบเย็นแต่หลายคนถามว่าจะทำไงถึงจะตายก่อนตาย จุดเริ่มต้นง่ายๆคือว่าเวลาเราให้ทานเนี่ยเราก็ให้ทานโดยที่ไม่หวังอะไรเราให้ทานเพื่อคลายความยึดติดถือมั่นกํนะาจัดความตรหนิให้หมดไปดังน้การให้ทานถ้าเราให้ทานถูกนะมันก็เป็นการพาเราเข้าใกล้นิพพานนะหรือถึงเราไม่เชื่อเรื่องนี้ในนิพพานแต่มันก็ทําให้เรามีหลักประกันว่าเรา สามารถจะอยู่ได้อย่างมีความสุขเรียกว่าอยู่สบายถึงวเวลาจะตายก็ตายสงบเพราะว่ามันไม่มีความวิตกนะว่าจะต้องไปเจออะไรแล้วก็ไม่มีความอะไรเอวาวอนมูแหนในสิ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติคนรักหรือว่า าตาชื่อเสียงอย่างที่บอกไว้แล้วว่าหลายคนเนี่ยตายก็ตายได้นะแต่ขอให้ลูกหลานคนรักอย่าลืมฉันอย่าให้โลกเนี่ยอยากให้โลกติดจำฉันเอาไว้นี่ถ้าเราไม่มีความอยากตรงนี้เนี่ยการตายก็เป็นเรื่องง่ายแต่เพียงที่บอกวนะ่ามันไม่ใช่แค่ทําให้ตายง่ายหแต่าการอยู่กลายเป็นเรื่องง่าย หลายคนเดี๋ยวลิจะบอกว่าอยู่ยากโลกนี้ทำไมมันอยู่ยากนะเราไปเพื่อที่โลกสมัยนี้อยู่ยากเพราะว่ามันมีการแข่งขงงนะนันกันสูงผู้บริหกับตัวมากขึ้นที่จริงไม่ใช่หรอกนะที่มันอยู่ยากเพราะว่าเรายังมีความยึดติดถือมากถ้าเราคลายความยึดติดถือมากลงไปเนี่ยโลกมันอยู่ง่ายนะมันจะอยู่ง่ายและอยู่สบายด้ว ย, นนยวันนี้เนี่ยเฉพาะโจทตรงวันนี้เนี่ยเรามา ถวายทานที่เรียกว่าสังฆทานสังฆทานนี้ก็ควรจะเข้าใจนะว่าเข้าใจให้ถูกนะว่ามันหมายถึงการถวายให้กับสงฆ์สังฆานี่ก็ก็คือสงฆ์สงฆ์ก็คือพระตั้งแต่สีรูปขึ้นไปถ้าพระหนึ่งรูปแล้วรอดพสูงถ้าเราถวายเจาะจงเนี่ยจอะจงหลวงพ่อองค์นี้หลวงตาองค์นั้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นญาติ อาจจะเป็นเพราะเป็นครูบาอาจารย์ของเราเรื่อจะเป็นเพราะว่าเราช่วยเป็นท่านเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ไม่ได้ว่าสังกทานนะอย่างนี้เรียกว่าปาติบุคลิกทานหรือสันสวรรคุคลิกทานบุคลิกก็คือบุคคลนั่นแหละการได้ทานที่เรียกว่าบุคลิกทานเนี่ยได้อันนี้สมน้อยกว่าการให้ทานที่เราสังกทานเพราะว่าสังกฐานเป็นการให้ทานที่ไม่จอดตรงบุคคล เป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับหมู่คณะและนี่คือสิ่งสำคัญที่ทำให้พุทธศาสนาจเจริญ น, นอกงามได้หรือว่ายั่งยืนได้พุทธศาสนาถ้าฝากเอาไว้กับบุคคลแม้แต่พระพุทธเจ้าก็คงจะไม่ยั่งยืนมาจนทุกวันนี้ที่พุทธศาสนายั่งยืนมาจนทุกวันนี้สองพักว่าปีเนี่ยขาเพราะว่าหมู่คณะนะซึ่งเราเรียกว่าสง สังฆะหรือบริษัทนะเพราะว่าบุคคลเนี่ยอยู่ได้แค่อย่างมากก็ร2อยยี่สิปีพระพุทธเจ้ามีประชนมาอายุแค่8 0ดสิบันราแต่บุคคณาเนี่ยสามารถจะอยู่ได้เป็นร้อยเป็นพันปะีที่จริงอยี่ว่าแต่พุทธศาสนาเลยนะโรงพยาบาลมหาเทียนไล่นะากว่าปูติกับบุคคล มันก็อยู่ไม่รอดมหายเทยาลัยอยู่ได้เป็นร้อยปีโรงพยาบาลอยู่ได้เป็นร้อยปีแม้แต่บริษัทก็อยู่ได้เป็นร้อยปี <g oda> <ๆ>ก็เพราะว่าบุคคลนะประธานบริษัท ต, ตายไปแม้อรรการบดีตายไปแม้ผู้อำนวการโพยาบาลตายไปโรงพยาบาลก็อยู่ได้บริษัทก็อยู่ได้หมหาวิทยาลก็อยู่ได้เพราะมีบุคคลนะ ซึ่งไม่ใช่แค่กรรมการอาจจะรวมไปถึงคนทำงานต่างๆวัดก็เหมือนกันนะวัดอยู่ได้นานๆก็เพราะว่ามุกคนาะแต่ถ้าเราไปจอดจงถวายทานแก่เจ้าอาวาสเนี่ยพอเจ้าอาวาสรณับพาวันนั้นก็จะร่วมโรยหลายคนก็ทำบุญก็จอดจงที่เจ้าอาวาส มีโยมคนนึงเนี่ยขีกินโตไปที่วัดแต่เช้าเลยไม่เจอเจ้าวาดไม่เจอหลวงพ่อถามเนยว่าหลวงพ่อไปไหนเดินต่อว่าหลวงพ่อออกไปธุระไปไ ป, ไปกินข้าวมข้างนอกโยมที่้ิีโตกลับเลยนะไม่คิดที่จะถวายพระในวัดหรือว่าเนเนะเนี่ยการถวายทานแบบนี้เนี่ยเป็นการถวายทานที่กิเลสชอบเป็นการถวายทานที่ไม่ถูกต้องเพราะว่า ยังมีเยอะใหญ่ยังมุ่งมุ่งจอดจงบุคคลให้บุคเพื่อปราทถนาจใจบุคคลรักอยากจะให้วงพ่อรักอยากจะให้ลวงตาโปรดปราดวงตาไม่อยู่หลวงพ่อไม่อยู่ยิ้วผินโตกลับเลยเนี่ยแต่ น, นี่ก็มีนะคนทาบุญฝ่ายทำเนี่ยคนฝ่ายบุญแบบนี้แบบก็มีเยอะนะคือค่อนข้างจะแค่และไม่ค่อยใจว่าการทำบุญที่ถูกต้องเนี่ยนะั้นมันต้องไม่จอดจง ถ้ามีญาติโยมทำบุญแบบเนี้ยนะพอเจ้าวัดเระนับภาพวัดนั้นก็ร่วมโรยพระที่เหลืออยู่ก็ไม่สามารถจะทํำทำหน้าที่ได้เพราะว่าไม่ได้รับการอุปธรรมงั้นที่พุทธศาสนาอยู่ได้เพราะว่าเราไม่ได้จอดจวดวงทุกคนชาวพุทธเราไม่จอดดวงทุคคนเรารู้จักอุปธรรมส่งเสริมหมู่คณะและวิธีการก็คือถวายสังฆทาน นี่เป็นเหตุผลหนึ่งการถวายจอดจงบุคคลเนี่ยทำให้เกิดปัญหามากนะพระเทวทัตเนี่ยนะโกรธรังเกียจนะโกรธพระเจ้าแล้วก็มีความอิจฉาพระสรรยบุตรพระโมคคัลลานะเพราะว่าญาติโยมมา ก, ก็ถามว่าพระสรัรยบุตรอยู่ไหนพระโมคคัลลานะอยู่ไหนนะจะเอาทานไปถวายบ้า พระเวัตโมโหนัโกรธนักอิจฉาใครๆก็มาถามแต่พระโมคคัลลา น, นะพระสารีบุตรพระพระที่เป็นเอตทะทักะเนี่ยโดว่าหมากกรสับปากเลยไม่มีใครพูดถึงเราเลยไม่มีใครถวายท้าให้เราเลยพระเทวทัตเลยเป็นไงประกาศอิสระภาพเลยแยกออกมาแต่ตั้งคณะสงฆ์ใหม่แข่งกับพุทธเจ้านะแล้วเจ้าจะได้แข่งกับพระสารีบุตรพระโมคคัลลา น, นะอันนี้ก็แต่ว่าไปมัก็เป็นผลจากการที่ าชาวพุทธนะพุทธบริษัทเนี่ยไม่มีความละเอียดอ่อนนะตั้งแต่สมัยพุทธการแลยนะถวายเจาะจงแต่บุคคลคนก็อิจฉาแต่ทจริงนะมันก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลด้วยเพราะว่าถ้าตัวบุคคลวางใจไม่ถูกนะทำยังไงทํางไงก็มีปัญหาด้านนันแหละสำหรับคนเรานี่แม้ว่าจะมีครอบครัวที่ร่ำรวยมีการงานที่ดีถ้าวางใจไม่เป็นนะ ยังมีข้อที่จะต้องทูกใจอยู่นั่นแหละเสมอไปท่านนี้เรื่องการถายจงกันทานเราก็ถวายถูกนะถวายเพื่อมุ่งส่งเสรมิมบุญคุณะมุ่งส่งเสรมิมคุณะสงมุ่งส่งเสรมิมพุทธศา ส, สนาะก็ไม่มีการจาแนกว่าจะเป็นหลวงตาหลวงปู่จะเป็นแม้แต่เป็นเนรนะก็อุปถรัรมภ์ให้เอาแล้วก็นะอันที่สองอย่างหนึ่งนะที่จะกล่าวเป็นการสรุปก็คือ สาัทานเนี่ยนอกจากประโยชน์ที่เกิดกับผู้รับเช่นพระหรือสงฆ์นอกจากประโยชน์ที่เกิดกับผู้ให้ก็คือว่าจิตใจผ่องใสนะหรือว่าได้ลดความยึติดถูมั่นแล้วเนี่ ย, ยมีฝ่ายที่สามที่จะได้ประโยชน์จาสัมภาร น, นะก็คือผู้ที่รลงรับนั่นที่เราเึกถอือยังนะครัชบชาวพวกเราเชื่อว่าเนี่ยผู้ที่โลงรับไปแล้วเนี่ย ไม่สามารถจะเอาอะไรไปได้สมบัติทั้งหลายนรกนีก้เอาไปไม่ได้แต่ถึงที่ติดตัวหรือว่าติดไปถึงพบหน้าก็คือบุญนรกมบาปด้วยถ้าทำบุญเยอะๆนะ ก, ก็มันก็มีเสบียงในพบหน้าแต่เดียวกันเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็ยังช่วยได้คือการส่งสเสบียงไปให้เพิ่มเติมนั่นคือการถวายสังฆทานไปสังฆ ท, ทานให้กับพระพระรับก็ทิศให้ เราก็น้อมจิต น, นะู่ที่ส่วนเป็ส่วนให้กับผู้ที่ร่วมรักไปด้วยนะถ้าหากว่าท่านอยู่ในภพภูมิที่เหมาะกับบุญ น, นั้นก็จะได้รับแต่ถ้าไม่อยู่ในภพภูมินั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าญาติสารุหิกของเราในชาติก่อนรที่รอรับส่วนบุญจากเราก็ยังมีอยู่เยอะนะก็ยังได้รับอยู่ทานนี้ก็เท้าว่าเป็น สิ่งที่ช่วยปลอบประโลมใจช่วยทาให้ใคลายความรู้สึกผิดหลายคนก็รู้สึกผิดว่าตอนที่ท่านอยู่นิชัยอยู่เราไม่เคยได้ดูแลท่านแต่แม่ท่านจากไปเราก็ยังไม่สาที่เราจะทําอะไรให้ท่านโดยการทำบุญทิศทำบุญทิศให้ท่านและการทําบุญอย่างนี้คือการถวายสังฆทานนะก็เป็นการช่วยนะทั้งกับผู้ที่ตรงรับไปแล้วแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ที่ยังอยูด่ด้วยนะก็ขออนุโมทนา แต่ก่อนที่จะปรวดน้ำนี่ก็จะกล่าวที่เรียกว่าบังสมคุลนะให้กับผู้ที่ลุ่งรักสักหน่อยนะเพีแต่เราไม่มีผ้ามาทอดนะแล้วก็พังสมคุลนะโดยให้ง่ายนะราก็จะกราบนะ น, นิจาวัาจจสังขาราในเจ้าอนสังขารานี่ยก็หมายเขาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง น, นอเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปนะ มีแล้วกลับไปเป็นธรรมดาความสมุบและความดับสังขารทาลายเป็นสุดอย่างยิ่งอนนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นพาสสิทธิ์ที่พวกเราฟังก็มีประโยชน์ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่สวดให้ผู้ตายนะแต่กล่าวเพื่อให้เราได้พิจารณาให้เห็นถความไม่เที่ยงสังขารที่จรงิงอันทีจะวังสังขารลาดีนี่ยเหมาะกับการเกนะิดนในวันในวันเกิดนี่นะ เวลาวันเกิดเนี่ยเราก็อยากให้ใครๆแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีคนมามีเด็กๆมาร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้ตมาตอนที่ปลูกป่าเสร็จ ต, ตราก็บอกว่าคอยเพลงนะเริ่มต้นด้วยว่าอธิจจ w วตสังขารานะบางคนจะว่าแช่งนะตมาว่าไม่แช่งเพรานี้เป็นของดีนะเพราะว่า มีบางท่านเนี่ยพิสูจบางท่านพิจารณาแลทาา้ท่านบรรลุนิพพานทบรรลุนิพพานเพราะเพราะพาสิทธนี้แหละนะอนิจาวัตสังคารามันดียิ่งกว่าสุสัลมันเกิดเลยนะเพราะว่ามันเป็นก า, ารสุสัลในในการที่จะไม่เกิดอีกต่อไปงนั้นมนิจาวัตสังคาราเนี่ยนะเป็นพรที่เหมาะกับวันเกิดด้วยนะจะเป็นนึกถึงแต่งานศพอย่างเดียวจะนึกถึงก็ได้นะเพราะว่ามันทําให้เรามีความไม่ประมาท เพราะว่าเมื่อเราเมื่อเราอบวันเกิดเนี่ยในแง่ น, นั้ก็คือเรามีอายุเพิ่มขึ้นอีก่ปีแต่ในแง่ น, นั้คือเราใกล้ความตายแค่ไปหนึ่ปีเราเลิกเอาไว้จนได้ไม้ประมาทเพราะแล้วเมื่อเราไม่ประมาทพรก็เกิดขึ้นกับเราเมบุญก็เกิดขึ้นกับเราแล้ว